ขอทุกท่านฟังคำนิบายนักการเจริญพุทมณฑนสักครู่เลยการเจริญพุทมาฐานวันนี้เป็นโลหิตากรสินแต่ว่าก่อนเยี่ยพูดจนโลหิตากรสินก็ขอพูดถึงแนวการขึ้นต้นเริต้นจะต้องพูดทุกวันนะออวันนี้มีนักเรียนมาด้วยการขึ้นต้นการเจริญกุทธมณฑนขบันดาท่านพุทธบริษัท อันดับแรกพระบิดาเจ้าทรงแนะนําว่าให้แผ่เมตตาติดภายในใจจักรวาลทั้งปวงก่อนจะหมายความว่าให้มีความรู้สึกทางใจว่าสัตว์ก็ดีคนก็ดีในโลกนี้มีเท่าไหร่เราจะไม่เป็นเวรไม่เป็นใครไม่เป็นศัตรูกับใครจะเป็นมิตรดีกับคนแลสัตว์ทั้งหมดอย่างนี้จิตใจจ ะ, ยะเยือกเย็น หลังจากนั้นก็ชำระศีลศีลที่เราปฏิบัติวิจิศถิทาบทพยายามชำระให้ให้ให้ ใ, หให้ผองใสหมาความให้ครบถ้วนเพราะว่าศีลทุกข้อเราจะไม่ปกคร่องต่อจากนั้นไปก็ส่งแนะนําว่าพยายามคิดถึงนิวรณ์ห้าราการนิวรณ์ห้าราการเป็นจิตที่เราจะต้องละเฉพาะเวลาที่จะเรียนกรรมฐาน พิพิวห่ารการก็คือหนึ่งการมาฉันทะมีความพอใจในรูปสวยเสียงเพาะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระว่างที่โดยการที่สองคืออารมณ์ไม่พอใจโดยการที่สามความง่วงโดยการที่สี่ติดฟุ้งซ่านเกินไปโดยการที่ห้าสงสัยในผลการปฏิบัติ เราองว่านิวรณ์ น, นี่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่ากิเลสหยาบที่ทําบัญญาให้ถอยหลังถ้ากนหนาที่ภาวนาอยู่ก็ดีและพิจารณาก็ตามานิวรณ์ อ, อย่างใดอย่างหนึ่งส่วนใจเราเวลานั้นเราเป็นคนไร้ปัญญาการอะไรเวกามาฐานต้องมีสามอย่างควบ ก, กันมีเท่าเสียงสมาธิปัญญาแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มปฏิบัติในกรรมฐานกองที่เพิ่งปฏิบัติ นี่พูดสำหรับผูทั่วไปแต่ว่าวันนี้มีนักเรียนมาด้วยนักเรียนทุกคนขอจงอย่าลืมคุณธรรมของเราที่มีประจำเพราะว่าโรงเรียนนี้นักเรียนทุกคนต้องมีคุณธรรมตามนี้ตามที่ศึกษามาแล้ว <c oughs> อีอหนึ่งสังขาวัตถุสี่อันนี้ต้องปฏิบัติได้ เขาหาวัตถุศีคือหนึ่งทางการให้รู้จักการสงเคราะห์สิ่งกะไรกันสองปิยวาจาคือพูดไปที่รักวาจาประเภทไหนที่เราพูดไปเขาจะรักเราพูดวาจาอย่างนั้นแล้วก็รารการที่สามอัธจริยาการช่วยเหลือการงานสิ่งกะไะกัน ถ้ะไรายการในสีสมานัตตาไม่ถือตัวไม่ถือตนเสหาวัาตุสี่นี้เป็นปัจจัยเกิดความรั ก, กระว่างพวก้องหรือคนที่คบหาสมาคมมีความสำคัญทําให้ทุกคนมีความสุขเราก็ไปสุขเขาก็ไปสุขแล้วต่อไปก็สินห้าบวกกับหมดสิบเออหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ สองไม่รักทรัพย์สาไม่พึ่งกิจกรรมสีไม่ดื่มสุรามีไรทางกายสหรับทางวาจาคือไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียเขาแตกราวกันไม่ใช่วาจาเพื่อเจือเหลวไหลทางด้านจิตใจคือไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบทำและก็ ไม่จองล้างจองผลาไม่โกรธนโยบายไทยโกรธอาจจะโกรธจะไม่ไม่จองล้างจองผลานั่งด้านจิตใจอีกข้อหนึ่งก็คือว่ามีความเห็นชอบคือยอมรับพระคัมภีร์สอนข อ, องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปอีกข้อหนึ่งก็คือต้องมีหารสี่อัหนึ่งมีจิตเมตตาความรัก สองภาาความสงสารสามุตตามีจิตอ่อนโยนมีชาริศยาไข่ให้ใครแตดีก่อนยินดีด้วยแล้วก็สีอยู่เบิขาวางเฉยวางเฉยเมื่อสิ่งนั้นเกินีิสัยที่เราจะทำหรือเราจะช่วยคุณธรรมทั้งหมดนี้เป็นคุณธรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนนี้คือพรว่าก่อนจะเข้าก็มีสัญญากันแล้วว่าทุกคนต้องปฏิบัติได้ การที่แล้วมาเขรู้สึกว่าปฏิบัติกันได้ดีเราคอยปรับ ต, ตรงความดีนี้เรื่อยๆไปแต่จุดสาคัญอีกข้อหนึ่งก็คือตรอมาถานทุกคนต้องได้มโนยิทธิแต่ว่าเวลานี้ทุกคนก่อนจะเข้ามาทุกคนก็ได้หมดแล้วให้รักษ า, าความดีนีไว้เพราะว่ามโนยิทธิเป็นได้เพราะคุญญายากที่คนจะปฏิบัติได้ แต่ว่านักเรียนทุกคนก่อนจะเข้าทุกคนปฏิบัติได้ขั้วตัวฉะนั้นค่อยมีการซักซ้อมไว้ <c oughs> ตอนนี้ไปก็ขอพูด้ฤกษ์ศิลป์เป็นกรรมฐานเป็นการแนะนําความรู้ทั่วไปกรรมฐานเพรว่าก่อนเวลาแนะนํามโนยิธิธ <c oughs> ก็จะขอ น, น, นํากรรมฐานทั้งสี่สิบกองมา <c oughs> ค่อยๆพูดไปวันนี้เป็นโลหิตตะกสิลโลหิตตาแปลว่าสีแดง กสินสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีขาวสามสีนี่ไอ้สีสีนี่เป็นกสินะสินเจ้าพอจริตคือปราบโทสาจริญในหมายกว่าว่าคนที่มีความโกรธง่ายถ้าทำกสินคองกองนี้คื้อสีกองนี้กองใดก อ, องหนึ่งสีเหลืองก็ได สีแดงก็ได้สีเขียวก็ได้สีขาวก็ได้ <c oughs> กองใดกองหนึ่งถึงฌานกําลังเห็นโทสะคือความโกรธอยา่าบรรเทาลงแล้วก็บรรเทาลงถึงที่สุดในขนณดสามารถจับวิปัสนาญาณเป็นพระอรหันต์ได้วิธีปฏิบัติก็คือผ้าสีแดงหรือกระดาษสีแดงหรือสีแดงเทากระดานกระตากรดานก็ได้ ให้โตพอที่จะมองชัดตรงโตหน่อยปฏิบัติเหมือนกันทุกกองกันดับแรกกะลืมตาดูสีแดงจำว่าสิ่งที่เราเห็นข้างหน้าใน่คือสีแดงแล้วก็ภาวนาในใจว่าเราโอหิตาสีนางโอหิตาสีนางแล้วก็หลับตานึกภาพสีแดง มันนึกภาพสีแดงไปก็รู้ลมหายใจเข้าออกไปด้วยภาวนาไปด้วยถ้าภาพสีแดงเลือนไปจากใจก็ลืมตาดูใหม่ลืมตาดูพอจําได้แล้วก็หลับตาภาวนาต่อไปนึกขึ้ภาพต่อไปอันนี้เป็นเครื่องวัดสมาธิถ้าขณะใดาถ้าภาพสีแดงแล้วก็สิงกองใดกองหนึ่งก็เหมือนกันยังทรงอยู่ในจิตของเราเรายังนึกเห็นอยู่ เวลานั่นที่ว่าจิตมีสมาธิแต่ว่าภาพนั้นเลื่อนไปจากใจก็แสดงว่าจิตสมาธิก็เราเชื่อฆ่าไปแล้วนี่เป็นการฝึกในผลจริงๆก็ผล ป, ปฏิบัติเหมือนการทุกองแต่เล่นจะไม่ขอพูดต่อไปก็กลายเป็นสีเหลืองเป็นสีขาวเป็นสีแก้าเหมือ น, นกันเหมือนทุกองกรดิตอนนี้อยพูดทิ้งว่ากระสิงกองนี้พระพุทธเจ้าเคยสอนพระให้เปิดพระหรหันมาแล้ว ก็จะนำตัวอย่างมาเล่าสู่กันฟังได้เป็นแบบปฏิบัติว่าในสมัยพระองค์สมเด็จประสงคทรเสวะคีโสกภาคือพระพุทธเจ้ายังทรงได้ชนอยู่เวลานั้นกลากราภาษาว่าพระองค์สมเด็จพระบรมครูคือภาษารีบุทเป็นภาที่มีความสำคัญมาก ก็มีพระเข้ามาบวชใหม่ในสำนักของท่านองค์หนึ่งพระองค์นี้ตามบารีไม่ได้บอกชื่อแต่บอกตระกูลคือว่าท่านเป็นตรกพ่อแม่ของท่านเป็นคนขายทองเป็นลูกชายในช่างผู้ขายทองในช่างทำทองเป็นคนหนุ่มลูกร่างหน้าตาสวยในเมื่อมาบวชกับสารีบุทกับสารีบวชก็มีความคิดว่าคนหนุ่ม รูปร่างหน้าตาดีฐานะดีอย่างนี้ก็คงจะหนักในด้าราคาจริตคำว่ า, าจริตเชื่อมุมค้นใจมีหกอย่างหนึ่งราคาจริตรักสวยรักงามสองโทสาจริโตโกรธง่ายสามโมหจริตก็ไม่ตกจริตซึมแล้วก็ห้าศรัทธจริตเชื่อง่าย หพุทธเจริกมีความฉลาดมากความจริงารมณ์ของคนทุกคนก็มีทั้งหกอย่างแต่ว่าจะมีอย่างไหนหนักที่สุดให้ปราบอย่างนั้นก่อนแต่สาหรับพระองค์นี้พรสารีบุตรมีความเข้าใจว่าเป็นคนที่มีราคะจริจัดแต่เนื้อแท้จริงๆแล้วท่านเป็นคนมีโทสะจริญจัดไม่ใช่ราคะจริต แต่นั้นท่านเมื่อภาษาที่บทคิดว่ามีราคาจริตจัดจึงให้กมามฐานปราบราคาจริตมันก็ไม่ตรงกันมันเข้าจะนองปวดที่ขาจะรักษาที่หัวมันก็ไม่หายก็เป็นนั้นว่าให้กมามฐานคือเอาสุปกรรมาฐานกับกายยานาการนุสติใช้เวลาเข้าภาษาไก่ออกภาษาจะในบทมาใช้เวลาสีเดือน พระองค์นี้ไม่ได้แม้แต่ฌานโลคีคั้งนี้ก็เพราะว่าให้สมาทานไม่ถูก จ, ะจระดิ่งต่อมาเมื่อออกภาษาแล้วภาษาที่หมดคิดว่าพระองค์นี้คงจะไม่ใช่ไม่ใช่วิสัยที่เราจะสอนได้ต้องพาไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรคือพระพุทธเจ้าที่อยู่ในภูรวัตเมื่อภาษาแล้วภาษาที่หมดก็พาพระองค์นี้ไป ก็กราบทูลให้ทรงทราบตามที่พูดวัแล้วเมื่อกีนนี้เมื่อสาราาบีบทจากคุณจบองค์สมเด็จพระจินศรีก็เลยมีพระวดีิการแต่ว่าสารีบุตรทดูก่อนสารีบุตรคนที่มีศรัทธาคุณาบทที่มีศรัทธาเป็นคนที่สถาก็ไม่สา ม, มารถจะสอนไม่ไม่สา ม, มารถจะสอนได้นั้นไม่มีขอให้สารีบุตรกลับไปก่อนศรัทาก็จะสอนเอง เมื่อพระสารีบุตรกลับไปแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วก็ส่งไิเจรนาก็ส่งทราบว่าพระองค์นี้ไม่ใช่มีราค่าจริตหนักเป็นโพธิจสาริตหนักหนักในความโกรธยังได้ส่งรมิตดดอกบัวทองคำหึ้นดอกหนึ่งบันดาลให้เป็นสีแดงแล้วก็ส่งให้กับพระองค์นี้้วบอกกับเธอว่าเธอวิปุ เธอจึงนาดอกบัวนี้ไปนั่งที่หน้าวิหารที่กองทรายแล้วก็มุนกองทรายขึ้นมาให้เป็นกองแล้วก้านดอกบัวจิ้มลงไปตักลงไปที่กองทรายหลังจากนั้นก็ลืมตาดูภาพดอกบัวจําสีแดงให้ได้เมื่อจำได้แล้วก็หลับตานนคภาวนาในใจจําภาพสีแดงภาวนาว่าโลหิตกรุะสีนาง พระฤากีก็สีนังนะถ้ า, าพลาดก็เดอนไปจากใจก็ลืมตาดูใหม่ทำอย่างนี้จนกว่าจะถึงที่สุดความจริงวระเจ้าก็สอนแค่นี้เ้าไม่ก็นำดอกบัวทองคําที่เป็นสีแดงเป็นหน้าวิหารที่ดี็นกองทรายแล้วก็ทําตามที่พระเจ้าบอกถ้าะภาวนาไปบ้างมาภาพหายไปก็ลืมตาดูใหม่ เรื่มตาดูแลว้วก็หลับตานึกถึงภาพต่อมาเมื่อสมาธิดีขึ้นภาพดอกบัวชัดเจนจใสขึ้นสว่างมากขึ้นโตมากขึ้นเห็นชัดมากจนกระทั่งนึกในใจว่าขอภาพดอกบัวได้ยิงสูงขึ้นดอกบัวก็สูงดอกบัวที่จังอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังอยู่ข้างซ้ายอยู่ขางวาเล็กเมื่อใหญ่เป็นไปตามใจชอบ ถอยา่างนพิจารณาของต้องเพลินตามนี้ก็เพลินทิจะมีสีสีความอินใจต่อมาสีดอกบัวเกิดกลายใหญ่ขึ้นแล้วก็กลายกลายจากสีแดงเป็นสีเหลืองน้อยๆค่อยๆเหลืองขึ้นมา <S <S เหลืองขึ้นมาเหลือ ง, ม า, องมาจานถึงที่สุดยับยังอยู่แค่สีเหลืองไปเดียวหนึ่งแค่ก็ไม่ละภาวนาแค่ทงสงอารมณ์ไว้ ใจก็ใจก็นน่คิถึงภาพในนี้ภาพชัดไม่ต้องนึกถึงได้ถึงชัดใจเห็นต่อมาจากสีเหลืองมาหยุดสีเหลืองนิดหน่อยต่อไปภาพก็กลายไปสีขาวเพียหน่อยหน่อยหน่อ ย, อยก็กลายไปขาวทั้งดวงหมดทั้งดอกดอกใหญ่มากจะย้ายโตขึ้นต่อมาท่านจะไม่ละอารมณ์จับภาพเรื่อยๆภาวนาเรื่อยๆไป ดอกบัวก็กลายจากสีขาวเป็นแก้วเป็นแก้วเทียนน้อยแต่น้อยแต่น้อยจนทั้งเป็นแก้วหมดดวงเป็นแก้วใสมากตอนนี้เป็นชานเป็นกําลังพ้นชานแล้วต่อมากระลำใจก็แค่เข้าถึงชานสีไม่รู้สึกว่ามีลมให้ใจจิตมีการทรงตัวดอกบัวก็สว่างจัดเห็นชัดเป็นแก้วใส ในช่วงนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรนั่งอยู่ในวิหารก็ทรงพิจารณาว่าพระองค์นี้ถ้าต่าคตไม่ช่วยเธอสามารถจะมาลุกมักผลขึ้นเป็นคือเป็นพระรหันได้หรือไม่ก็ทรงทราบการกําลังใจของพระองค์ว่าถ้าแต่แตพระ อ, องค์ไม่ช่วยพระองค์นี้ไม่สามารถจะมาลุกมักผลได้ เอเกนั่นองค์สมเด็จจิตรจอมไกรเห็นว่าพ้ะองค์นี้กาลังนั่งหลับตาจิตเห็นภาพดอกบัวใสแถวเป็นแกว้วทรงตัวดีสมเด็จพระมหาวันนี้ก็สุนทรภิษดอกบัวเดิมไม่ใช่ดนิ้ิตดอกบัวที่ไปที่แรกให้เก่าลงเศร้ามองลงที่แรกก็มองใสต่อมาเระานี้เมื่อลูตาเข้าก็ลืมตาดูใหม่ ก็ตกใจว่าดอกบัวไม่ธรรนํามาแยมใสดีมากสวยสดงามสีก็สดตั้งก็ดีเวลานี้เศร้าหมองเก่ามากเหมือนดอกบัวกเก่าๆเหมือนดอกบัวเหี่ยวเก็หลับตาก็คิดถึงคีดวิเคราตัวเองว่าคนเราที่เกิดมาทุกคนก็มีสภาพแบบนี้คนก็ดีใส่ก็ดีมีสภาพเหมือนกัน เมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นความแก่เข้ามาความเหี่ยวแห้งเขามา้ขมาก็ปรากฏเช่นเดียวกั น, กนคิดอย่างนี้พระจิตตรงตัวสมด็จพระพู่มีพระพาอเจ้าก็ทรงลิมิตต่อไปให้กลีบดอกบัวดันหลน่นแ้่พระองค์นี้เลืมตาขึ้นมาปัอกอ้าวเมื่อกี้แค่เก่านี้ติดหล่นไปแล้วต่จะคิดในใจว่ามาคนแก่คนเก่าเกิดคุณ อ, อ, อ, อวัยวะต่างๆก็ใช้งานไม่ได้สะดวก แขนขาก็มีการทรงตัวโห้ง้าจาวฟางปีนก็หักแขนก็ยกของขึ้นขึ้นขาก็ก้าวไปถือไหวในสภาพของความเป็นคนแก่มีความทุกข์อย่างนี้เพราะการเกิดเหตุในขณะที่เล่านั้นพิจารณาอย่างนี้สมเด็จพระบรมมรโลกกษิตรก็ทรงในนิพพานเดือดวัวหักกระจายไปเลยที่ท่อนเล็กท่อนน้อย พระองอนั้นก็ลืมตามมาดูใหม่ก็คิดในใจว่าเมื่อกี้มันแค่แ ก, ก่แค่เก่าแค่หิวแต่ดีอันเวลานี่หักกระจายไปแล้วก็เป็นว่าเหมือนกับชีวิตของเราต่อไปต้องตายขึ้นที่ว่าความตายไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายแม้ก็ดอกบัวนี้ความจริงเป็นทองคําเป็นของที่แข็งกว่าร่างกายของเรา สดใสอยู่ว่าเดี๋ยวเดียวประเดียเดยเด๋ยวก็เก่าประเดียเด๋ยวว่าแก่ปเดี๋ยวว่าหิวเดี๋ยวนี้ก็ร่วงโรยในะที่สุดก็หักกระจายไปชีวิตของเราก็มีสภาพอย่างนี้มีความเกิดขึในเบื้องต้ น, นแล้วก็มีความแก่ในทางกลามมีการสลายตัวในที่สุดฉะนั้นขึ้นที่ว่าการเกิดถ้าทรงความเกิดอย่างนี้ต่อไปเราจะไม่พ้นความทุกข์เมื่อตัดสินใจที่ว่าขึ้นชื่ออกความเกิดขอมีชาตินี้เป็นแา่ิสุดท้ายชาติต่อไปไม่มี เทียงเท่านี้สมเด็จเทียงสีก็ทรงแสดงประปาริหารแห่ชาพันธยาสีมาที่ถือเหอมือนกับนางธนาะลาวจารับรองว่าเป็นอย่างน้ำที่สุกตามจริงเป็นอย่างนั้นเพียงเท่านี้เ่้นกรบรหลมะฝนเป็นพระหันทองฤๅษีทายาเนย์พระโองความื่อกลสินทุนทยยกาา ก, กองที่รู้จักใช้ก็เป็นประโยชน์ถืออรหันต์ไม่กันแล้วถึงได้ง่ายด้วยก็เป็นสมาธิง่าย แต่ว่าถ้าอารมภาพเขาก็ก ส, สีนี้ก็พระอยากจะจ้าประเทศทำอะไรโอทาทําได้ทิ้งชาลีก็สามารถจะบรรดาลสีทุกสีที่ม่สีอื่นให้กลายเป็นสีแดงได้หมดอย่างคนนักเรียนใส่ชื่อขาวเนี่ยใช่โอทึงสินปั๊บเดียวเชื่อสีแดงหมดเห็นไหมถ้าเหนียใช่อะไรโ อ, โอทาจะเราสินก็เป็นสีขาวหมด ใช้นีได้กรสินก็เป็นสีเขียวหมดใช้ปิตการกรสินก็เป็นสีเหลืองหมดก็สามารถบามดาสีได้ตามตอใจสําหรับกระสินก็ขอเล่าให้ฟังแค่นี้พอเข้าใจว่าเป็นรูปถายกองหนึ่งในกำมันถังสี่สิบ 40, เปนการศึกษาไว้แต่ผลปฏิบัติจริงๆก็เหมือนกันทุกกองตามที่กล่าวมา ต่อที่ไปก็ขอพูดเรื่องหลักวิชาของมโนยิทธิการปฏิบัติกลางวันเป็นมโนยิทธิแต่นัเกเรียนทุกคนนะเวลานั่งเฉยๆจะใช้กําลังของมโนยิทธิใช้ได้เลยนะจะไปไหนลไรจะไปหาพระญายมก็ได้ถ้าไปหาพญายมก็ถามว่าท่านปูนรกุมไหนที่พอเหมาะคนีก็นูเอไง หนูอยากจะอยู่กับคุมหนึ่งอะไรแลหลายๆคุมก็ได้นะถ้าไม่ไม่ชอบใจนรกก็ถามท่านเพท่านปู่ก็หากว่าในลานี้กับผมก็ดีหนูก็ดีผู้หญิงใช่หนูชายใช่ผมก็นีมีตัวหญิงมั้บุญบารมีที่บำเพ็ญแล้วก็หนักนี้ตั้งแดดต่ต้นจนทั้งปัจจุบัน ว่าสั่งสมตัวมาคําว่าตั้งแต่ต้นไหมายคว่าชาติแรกที่เราทําบุญทุกชาติที่ทํานี่มันไม่สลายตัวมาสะสมกันมารวมตัวกันถามว่าบุญตั้งแต่ต้นที่ทํอย่างทั้งปัจจุบันนี้จะสามารถบรรดาลให้เกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้าชั้นไหนหรือเป็นกมหรือสามารถจะไปนิพพานได้่านท่าน ถ้าถามท่านอย่างนี้เดบัญชีใหญ่จะเปิดบัญชีแต่ความจริงท่านไม่เปิดก็ไดแ้แล้วเป็นระเบียบท่จะเปิดบปญชีมันอาจจะถามว่าหนูชื่อนี้ใช่ไหมบอกถ้าไม่ใช่ท่านจะชี้ให้ดูถ้าบังเอิญเห็นบัญชีสีแดงเราก็มีความมั่นใจได้ว่าเราลงนรกแน่ดีไหม ถ้าเห็นบัญชีสีเขียวเนี่ยสา ม, มารถจะเกิดกินน้ำเงินได้เกิดเป็นคนก็นได้คือ เ, เวรกรรมบาดาลความก็อใด้าเหบัญชีสีทองถ้าตัวนสือเลืองเขียนด้วยสีทองอันนี้หมายที่นี่ผ่านขอดูท่านได้นะถ้าบังเ อ, อิญมีตัวหนังสือสีแดงเรื่องบาปนะทุกคนต้องทำเหมือนกันหมดหลวพ่อก็าทำมา ไปถานะว่าถ้าเราต้องการจะพ้นจากมารเกเรือบใบภูมิจะใ้ตัวสีแดงเลยทำยังไงท่านจะแนะนำมาให้วิธีใดที่ท่านแนะนำต้องปฏิบัติตามนั้นจะพ้นได้จริงๆอันนี้ไปหาท่านมาเ ช, เชายไม่เฉยได้ผลแลมีผลมากท่กต่อไปก็เป็นหลักวิชาของมโนยิทธิคำว่ามโนยิทธิแปลว่ามีหริอทางใจ ใ น, นการหมายความใช้ใจไปสวรรค์ก็ได้ไปพุทธโลกก็ได้ไปธนุ ก, ก็ได้ไปจารเศืศสุรกายสวดิชานก็ได้ไปไหนก็ได้จักรวาล น, นี้ไปได้หมดและใช้ใช้ใจรู้การเกิดและการตายของคนและสัตว์ถึนหน้าคนเรอยากจะทราบว่าคนนี้ก่อนจะเกิดมาจากไหนมาจากนารกหรือมาจากเพศสุรกายจากสวดิชานจากคนจากจัวดาลหรือม เรารู้ได้ถ้าอยากจะทราบว่าคนตายคนนี้ตายแล้วไปอยู่ไหนแล้วก็ทราบได้ทีนี้ก็ได้จุดตัประภัติยานอันแรกเทวพิญยานแต่ต่อไปสามารถจะลึกชาติได้ไม่จํากัดชาติจะรู้จิตใจทุกคนได้จะรู้เหตุการณ์ในอดีตก็ได้เหตุการณ์ในนาคก็ได้เหตุการณ์ในปัจจุบันก็ได้ แต่ว่ารู้กฎองกรรมว่าความสุขกับความทุกข์ที่เรามีในปัจจุบันเขากรรมอะไรเป็นเหตุทราบจะไม่เิดวิธีปฏิบัติอันดับแรกก็ขอทุกคนระมัดระวังเรื่องศีลถ้าศีลบกคล่องสมาธิก็บกคล่องถ้าศีลสมบูรณ์สมาธิเราสมบูรณ์อันนี้ต้องระวังให้มากและก็เวลาภาวนาพิจรารณารู้ลงในใจเขาออกก็ระวังมีบอน อย่าให้นิวร์เข้ามากวนใจเวลานักก่งจมมันนี่คือมันก็ลก้ น, นิวรณ์นึกแต่รู้ลมหายใจเขาออกอันดับแรกรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเวลาหายใจเข้าภาวนาตามวันณะมะเวลาหายใจออกภาวนาตามพระเร า, ภาแค่นี้นะเวลาภาวนาจงอย่าอยากรู้อยากกินอะไรเป็นขาด ถ้าอยากรู้อยากเห็นเวลานั้นจิตจะคงสาลและข้อสคัญที่สุดการฝึกแบบนี้ต้องได้ทิจจุุญญาอย่างก่อนแล้วคำว่าทิจจุุญญาเนี่ยไม่ใช่ลูกตาเป็นทิจมันมีจิตเป็นทิจภาพที่เราจึงที่เราปรากฏกับใจเราครั้งแรกหยาบลอยที่วอนเข้ามาขวางที่ว อ, น ค, อ น, นคือคือที่จิตจะเฉาคือโตสงสยัยอันนี้ก็สาคัญมาก หลังจากนั้นเมื่อภาวนาแล้วให้ใจเข้านึกวนันะมาให้ใจออกในพระแต่อไปครู ก, ก็จะแนะนำํำในการตัดกิเลสเพื่อจิตสะอาดเป็นทิพย์นก็มีว่าขณะวิการภาวนานี่ยครูให้ภาวนาประมาณสิบนาทีหลังจากนั้นก็มีคนไปนั่งขณาเดินนั่งกลางวงตอนนั้นก็ให้ทุกคนเมื่อมีคนเข้าไปนั่ง เขาจะแนะนำเพราะทุกคนเลิกภาวนาทันทีแล้วก็ไม่สนใจจะลงู้ให้ใจเขาออกแต่ว่าตั้งใจฟังทำแนะนําของผู้แนะนำเขาจะแนะนําในการแตกกิเลสถ้าเราคิดตามไปด้วยได้ก็จะดีขณะที่จิตฟังทำอยู่เวลานั้นจิตจะว่างจากกิเลสเมื่อจิตว่างจากกิเลสอารมณ์ความไปคิดมันก็เกิด ทิพย์ที่เราได้ในคือทิพยานไม่ใช่ทิพย์ไม่ใช่ทิพยเนตรทิพยเนตรแปลว่าตาทิพยนั่นจะมีร่างกายเป็นทิพย์อย่างวดานางฟ้าดรือปมแต่เราเป็นมนุษย์มีทิพยเนตรม่ได้กันได้ได้แต่ทิพยานยานเป็นมรู้ทิพยาณจริงๆถ้าจะแปลเต็มศับต้งแปลว่ามีความรู้สึกทางใจใกล้ตาทิพย นั่นเหมือนที่ความรู้สึกทางใจเพราะฉะนั้นเมื่อครูเขาแนะนําไปเห็นว่าญาติโยมมีจิตแล้วจะอาดจากกิเลสมันจะก็อาจจะเพราะเวลาเวลานั้นเขาก็จะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมิหรือก็น่าบ้างเขาถามถึงความรู้สึกถ้าความรู้สึกขั้งแรกเกิดขึ้นให้เชื่อความรู้สึกขั้งแรกทันทีเพ้ามันเป็นทิด มันจะไม่ผิดถ้ามีความรู้สึกว่ามีให้ตอบว่ามีแต่ก็ถามว่าท่านในอยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตอบตามความรู้สึกถ้าก็บอกว่าข้างหน้าคนที่อยู่ท่านอยู่ข้างหน้าแต่งตัวเสียอะไรก็ตอบตามนั้นแต่ว่าพิจิตราณที่ญาติโยมได้จะมีจะมีความจะจะจำใส่ใม่สมัยกัน ท่านที่มีจิตสะอาด จ, จะกิเลสน้อยจะมีความรู้สึกทางจิตแต่จิตไม่เห็นภาพให้เชื่อความรู้สึกของจิตท่านที่มีจิตสะอาดกลางเมื่อมีความรู้สึกเขาจิตเขา้าจิตเห็นภาพไม่ชัดเจนนะักให้เชื่อความรู้สึกของจิตถ้าท่านที่มีจิตสะอาดที่ที่สุดเมื่อจิตมีความรู้สึกแล้ว จะจิตจเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสมากหลังจากนั้นทูก็จะแนะนำไหแท่ในใ า, าษษษษษนไปสู่วรตจุลาโมนิสิริสถานนิพพานต่อไปตอนนี้ไปเขาวันดาลูกหลานทุกคนญนาติโยมทั้งหลายหันหน้าไปทางพุทธรูกตั้งใจสมาทานสีนสมาทานบรกรราฐาน